โคปกะโมคลานสูตรว่าด้วยพราหม์ชื่อโคปกะโมคลานะข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วไม่นานท่านพระอานนท์พักอยู่ณพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึสมัยนั้นแลพระเจ้าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรกษัตริย์แคว้นมคต ทรงระแวงพระเจ้าปัทโชดจึงรับสั่งให้ปฏิสังขรณ์กรุงราชครึกครั้นเวลาเช้าท่านพระอาณนลนครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชครึกได้คิดอย่างนี้ว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครึกทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาโคปะโมคลานพรามถึงที่ทำงานแล้วเข้าไปยังที่นั้น โคปกะโมโคลานพราหม์เห็นท่านพระอานนท์เดินมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าขอเชิญท er ่านพระอานนท์เข้ามาเถิดขอต้อนรับนานๆท่านพระอานนท์จะมีเวลามาที่นี้ขอเชิญท่านพระอานนท์จงนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วท่านพระอานนท์ได้นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนโคปกะโมโคลานะพราหม์ เลือกนั่งณที่สมควรแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งต่ำกว่าได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่ท่านพระโคโดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วท่านพระอานนท์กล่าวว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการ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 จึงประกอบพร้อมอยู่เรื่องนี้ที่ท่านพระอา น, นุนได้สนทนากับโคปะกะโมคลานะพราหม์ค้างไว้ขณะนั้นวัสการพราหม์มหาอมาตแห่งแคว้นมคธที่ตรวจราชการในกรุงราชครึกได้เข้าไปหาท่านพระอา น, นุนถึงที่ทางานของโคปะกะโมคลานะพราหม์แล้วได้สนทนาราัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร ได้กล่าวกับท่านพระอานนุ์ว่าท่านพระอานนุนบัดนี้พระคุณเจ้านั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอและท่านทั้งสองได้สนทนาเรื่องอะไรค้างไว้ท่านพระอานน์กล่าววา่าพราหมณ์ในเรื่องนี้โคปกาโมคลานพรามได้กล่าวกับอัตมาภาพอย่างนี้ว่าท่านพระอานนุ์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการ อย่างที่ท่านพระโคดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเมื่อโคป ะ, ะโมกคลานะพราหม์กล่าวอย่างนี้แล้วอาตมาภาพได้ตอบว่าพราหม์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้ว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 เรื่องนี้แลที่อัตมาภาพได้สนทนากับโคปะกะโมคลานาพราม์ค้างไว้ก็พอดีท่านมาถึงวสการพรามถามว่าท่านพระานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงละไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระานนท์ตอบว่า คราม์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงละไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอัตมาภาพทั้งหลายจะพึ่งเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานนมีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมต คือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระ จ, จํานวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลบไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาได้ในบัดนี้พราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระ จ, จํานวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลบไป ภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอัตมภาพทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานน์ก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความสมคีกันโดยธรรมพราหมณ์อัตมภาพทั้งหลายม่ใช่คนไม่มีที่พึ่งอัตมภาพทั้งหลายเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่พึ่งวัสการพราหมณ์กล่าวว่าท่านพระอานน์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 เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลบไปแล้วภิกษุรูปนี้จกเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอัตมภาพทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาได้ในบัตรนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจํานวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลบไป ภิกษุรูปนี้จกเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านก็ตอบว่าพรามไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเทระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลบไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอัตมภาพทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาได้ในบัดนี้ และเมื่อกระผมถามท่านว่าก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความสมคีโดยธรรมท่านก็ตอบว่าพราหมณ์อาตมภาพทั้งหลายมิใช่เป็นคนไม่มีที่พึ่งอาตมภาพทั้งหลายเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่พึ่งท่านพระอานน์ก็คำที่พระคุณเจ้ากล่าวมาแล้วนี้กระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรมีอยู่พราหมณ์ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติศิกขาบททรงแสดงปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายทุกวันอุโบสถอาตมภาพเท่าที่มีอยู่นั้นจะเข้าไปอาศัยค า, าเมเตแห่งหนึ่งอยู่ทุกรูปจะประชุมร่วมกันแล้วเชิญภิกษุรูปที่สวดปาติโมกได้ให้สวดถ้าขณะสวดปาติโมกมีภิกษุต้องอาบัต มีโทษที่ล่วงละเมิดอยู่อัตมภาพทั้งหลายจะให้เธอทำตามธรรมตามพระดารัสที่พระผู้มีพระภาคทรงพร่ำสอนไว้ได้ยินว่าภิกษุผู้เจริญทั้งหลายมิได้ใช้ให้อัตมภาพทั้งหลายทำทำใช้ให้อัตมภาพทั้งหลายทำท่านพระอานน์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระคุณเจ้าทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชา แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้มีอยู่ภิกษุรูปหนึ่งที่อัตมภาพทั้งหลายสักระเครพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงละไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลาย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 มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเทระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุแม้สักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมติคือภิกษุ ที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลบไปภิกษุรูปนี้จกเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอัตมภาพทั้งหลายพึ่งเข้าไปหาได้ในบัดนี้เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระคุณเจ้าทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้พระคุณเจ้าตอบว่า พราหมมมีภิกษุอยู่รูปหนึ่งที่อัตมภาพทั้งหลายสักระเคารพนับถือบูชาแล้วเขาไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้ท่านพระอานนต์คำที่พระคุณเจ้ากล่าวมาแล้วนี้กระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไร ทำเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีอยู่พราหมณ์พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสบอกรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสไว้สิประการในคณะของอัตมภาพภิกษุรูปใดมีทำเหล่านั้นอัตมภาพทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุรูปนั้นแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในบัดนี้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 เป็นผู้ได้ชานสีอันมีในจิตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฟ้ากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ขุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงโพรหมโลกก็ได้หกได้ยินเสียงสงชนิดคือ 1. เสียงทิพ สเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิฟอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. กําหนดรู้จิตของสัตว์อื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทคะ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 ทำเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสิบประการนี้อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสบอกไว้บรรดาอัตมภาพทั้งหลายรูปใดมีธทมเหล่านี้ในบัดนี้อัตมภาพทั้งหลายย่อมสัการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยรูปนั้นอยู่ เมื่อท่านพระอานนลกล่าวอย่างนี้แล้ววัศการพรามมหาอ ม, มาตห่งแคว้นมคตได้เรียกอุปนันทเสนาบดีมาพูดว่าเสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือพระคุณเจ้าเหล่านี้สักระธรรมที่ควรสักระเคารพธรรมที่ควรเคารพนับถือธรรมที่ควรนับถือบูชาธรรมที่ควรบูชาอยู่อย่างนี้เอาเถิดพระคุณเจ้าเหล่านี้ ย่อมสักการะธรรมที่ควรสักการะเคารพธรรมที่ควรเคารพนับถือธรรมที่ควรนับถือบูชาธรรมที่ควรบูชาเพราะถ้าพระคุณเจ้าเหล่านั้นไม่พึงสักการะไม่พึงเคารพไม่พึงนับถือไม่พึงบูชาธรรมนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นในบัดนี้พระคุณเจ้าเหล่านั้นจะพึงสักการะพึงเคารพพึงนับถือพึงบูชา แล้วเข้าไปอาศัยทําอะไรอยู่ได้ครั้งนั้นวัชการพรามณ์มหาอ ม, มาทแห่งแคว้นมคตถามท่านพระอานนท์ว่าก็เวลานี้ท่านพระอานนท์พักอยู่ที่ไหนท่านพระอานนท์ตอบว่าเวลานี้อาตมภาพพักอยู่ที่พระเวลุวันท่านพระอานนท์ก็พระเวลุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงเอื้อกระทึกน้อย ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเล่นหรือถูกแล้วพราหมณ์พระเวลุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทาการรับของมนุษ ย, ย์สมควรเป็นที่หลีกเล้นก็เพราะมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่านท่านพระอานน์ แท้จริงพระเวลุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกระทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่เหลีกเร้นก็เพราะมีพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีฌานและเป็นผู้เข้าฌานอยู่ประจำต่างหากท่านพระอานุนกระผมจะขอเล่าถวายสมัยหนึ่งพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้น ประทับอยู่ณกูตาคารสาลาปามหาวันเคกรุงเวสาลีครั้งนั้นแหละกระผมก็ไปเฝ้าพระโคโดมผู้เจริญพระองค์นั้นถึงที่ประทับณกูตาคารสาลาปามหาวันณที่นั้นพระองค์ได้ตรัสชานนกถาโดยอเนกปริยายพระองค์เป็นผู้มีฌานและเป็นผู้เข้าฌานอยู่ประจำและตรัสสรรเสริญฌานทั้งปวงหรือพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช่ไม่ทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มิใช่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญฌานเช่นไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. มีใจถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทมที่สลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคล น, นั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจอ่อจินตนาการทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายใน 2. มีใจถูกพยาบาทกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจอ่อจินตนาการทำพยาบาทเท่านั้นไว้ภายใน 3. ม, มีใจถูกที น, นมิทะกลุ่มรุมถูกที น, นมิทะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจอ่อ จินตนาการทำถีนมิทะเท่านั้นไว้ภายใน 4. มีใจถูกอุทจักกุกุจจะกลุ่มรุมถูกอุทจัจกุกุจจะครอบเมือมอยู่และไม่รู้ชัิตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดอุทจักกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจอ่อจินตนาการทำอุทจักกุกุจจะเท่านั้นไว้ภายในห มีใจถูกวิกิกิฉากลุ่มรุมถูกวิกิติฉาครอบงำอยู่และไม่รู้ชาติตามความเป็นจริงซึ่งทมที่สลัดวิกิกิฉาที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจอ่อจินตนาการทำวิกิกิฉาเท่านั้นไว้ภายในพรามพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญชาญเช่นนี้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 ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานอยู่พราหม์พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานเช่นนี้ท่านพระอานน์ได้ยินว่าพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นทรงติเตียนฌานที่ควรติเตียนทรงสรรเสริญฌานที่ควรสรรเสริญถ้าเช่นนั้น บัดนี้กระผมขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพราหม์ท่านจงรู้การอันควรไปณนะบัดนี้เถิดลำดับนั้นวัสการพราหม์มหาอมาทแห่งแคว้นมคธชื่นชมยินดีภาสิทธิของท่านพระอานนลุกจากที่นั่งแล้วจากไปครั้งนั้นแหลเมื่อวัสการพราหม์มหาอมาทแห่งแคว้นมคธจากไปแล้วไม่นาน โคปะกะโมคลาณะพราหม์ได้กล่าวกับท่านพระอานน์ว่าท่านพระอานนนยังไม่ได้ตอบปัญหาที่กระผมทั้งหลายถามเลยท่านพระอานน์กล่าวว่าพราหม์เราได้กล่าวแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่มีภิกษุแม้สักรูปหนึ่งที่ประกอบด้วยธรรมครบถ้วนทุกข้อทุกประการที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้ว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 พระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสง์แวดล้อมประทับนั่งณที่แจ้งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลถามเตุอย่างหนึ่งกับพระองค์ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงประธานวรโรกาส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 ลำดับนั้นภิกษุนั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันห้าประการนี้ใช่ไหมคือหนึ่งรู ป, ปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป 2. เวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขัน อุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอุปาทานขันห้าประการนี้คือ 1. รูปูปาทานขันสองเวทนูปาทานขัน สสัญญูปาทานขัน 4. ส, สังขารูปาทานขันหวิญญาณูปาทานขันมูลเหตุแห่งอุปาทานขันห้าประการ ภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าอุปาทานขันห้าประการนี้มีอะไรเป็นมูลเหตุพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าภิกษุอุปาทานขันห้าประการนี้มีฉันทะเป็นมูลเหตุอุปาทานกับอุปาทานขันห้าประการนั้น เป็นอย่างเดียวกันหรืออุปาทานเป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันห้าประการพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุอุปาทานกับอุปาทานขันห้าประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันก็ม่ใช่ทั้งอุปาทานขันเป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันห้าประการก็ม่ใช่แต่ชั้นราคะในอุปาทานขันห้าประการนั้นเป็นตัวอุปาทานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ฉันทราคะต่างๆในอุปาทานขันห้าประการจะพึงมีได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีได้ภิกษุแล้วได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตขอเราพึงมีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญาอย่างนี้มีสังขารอย่างนี้มีวิญญาณอย่างนี้ ภิกษุชั้นราคะต่างๆในอุปทานขันหประการพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เหตุที่ชื่อว่าขันภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 พรผู้ um, มีพระภาคต ร, รัร ves, ร ves, <SU ục> ves, สตอบว่าภิกษุมหาผู้สี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้รูปขันธ์ปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เวทนาขันธ์ปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้สัญญาขันธ์ปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้สังขารขันธ์ปรากฏนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้วิญญาณขันธ์ปรากฏ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 พิจารณาเห็นอาตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอาตาหรือพิจารณาเห็นอาตาในวิญญาณภิกษุสักกายติฐิมีได้อย่างนี้